เหตุใดมนุษย์จึงไม่รู้ได้เองว่าอะไรถูกผิดถามได้ทราบว่าเกิดเป็นมนุษย์ต้องมีบุญอาศัยกุศลเก่าในการถือกำเนิดซึ่งก็น่าจะรู้ผิดรู้ชอบกันทั่วหน้าแล้วในเมื่อบาปเป็นสิ่งชั่วร้ายให้ผลเป็นทุกข์ทั้งขณะธรรมและหลังธทรรม เหตุใดมนุษย์จึงมองไม่เห็นทำไมคนเราจึงไม่มีความรู้ติดตัวมาแต่เกิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ควรทำต้องให้คนอื่นบอกซะก่อนจึงจะรู้ได้ตอบผมเองได้ยินเพื่อนๆ พ, พูดด้วยความสงสัยมาแต่ไหนแต่ไรครับว่าทำไมต้องเรียนวิชาศิลธรรม ทำไมต้องให้ใครมาสอนว่าอะไรถูกอะไรผิดในเมื่อหน้าจะรู้รู้กันอยู่แล้วด้วยสามัญสำนึกใครเลือกทำดีทำชั่วก็สุดแท้แต่อัทยาศัยก่อนอื่นต้องแก้ความเข้าใจกันเป็นข้อข้อครับที่ว่าบาปให้ผลเป็นทุกข์ทั้งขณะทำและหลังทำอันนี้เป็นความเชื่อแบบคาดการเคือคิดเอาว่า เมื่อบาปเป็นสิ่งชั่วร้ายขณะทำก็ต้องเป็นทุกข์สิหรืออย่างน้อยต้องรู้สึกผิดรู้สึกไม่ดีบ้างละ่ะความจริงก็คือบาปนั่นแหละครับอาจจะเป็นสิ่งที่เสพแล้วรู้สึกดีเสพแล้วติดใจกว่าอะไรอื่นถึงมีคตินิยมแบบพวกนักเล่นชู้เช่นอาหารของตัวเองกินแล้วไม่เผ็ดมันต้องหันไปลักกินขโมยกิน ถึงจะอร่อยเป็นต้นระหว่างความรู้สึกผิดกับการสวยรถ อ, อร่อยเชื่อเธอครับว่าโดยมากมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายขออร่อยก่อนเรื่องสำนึกเรื่องคุณธรรมเรื่องจับต้องไม่ได้ยกไว้ปล่อยให้เป็นเรื่องของคนโบราณไปก่อน ส่วนคำถามที่ว่าทำไมคนเราไม่มีความรู้ติดตัวมาแต่เกิดว่าสิ่งไหนควรไม่ควรอันนี้ความจริงรู้นะแต่กิเลสเฉพาะหน้ามันปิดบังไว้เหมือนกรณีข้างต้นที่กล่าวแล้วทุกคนรู้ครับว่าขโมยของคนอื่นเขากินนั้นเจ้าของย่อมเจ็บใจยิ่งถ้าเห็นภาพบาดตาบาดใจขณะโดนตีท้ายครัว ก็เกิดอารมณ์อยากฆ่าอยากแกงกันทีเดียวแต่ในเมื่อมันอดไม่ได้ก็ทำทำบ่อยๆก็ชินกระทั่งบาป พ, พอกหนาเห็นผิดเป็นชอบเห็นบาปเป็นเล่นเห็นกงจากเป็นดอกบัวไปเต็มๆนั่นแหละการอันตรธานไปของสานึกผิดชอบชั่วดีส่วนที่ว่าทำไมต้องรอให้คนอื่นบอก ถึงจะรู้สึกตัวหรือสำนึกได้อันนั้นก็เพราะคนติดบาปชนิดใดย่อมอยู่ในอาการหลับไหลและมืดบอดแบบนั้นๆจำต้องฟังเสียงจากภายนอกปลุกจึงสะดุ้งตื่นและดึงสำนึกผิดชอบชั่วดีดั้งเดิมกลับมาได้แต่หากสำนึกผิดชอบชั่วดีถูกกลบฝังไว้ลึกเกินขุดไหวอันนั้นแม้พบพระพุทธเจ้า ก็ไม่รอดขึ้นมาเห็นแสงสว่างเหมือนกันคนที่บาปย่างถอนตัวไม่ขึ้นคือพวกที่ทำบาปชนิดหนึ่งๆซ้ำไปซ้ำมาจนถึงจุดที่ต้องรอล้างผลาญกันด้วยไฟนรกอย่างเดียวพ้นจากไฟนรกมาถึงค่อยล้างไพ่ว่ากันใหม่ว่าเจอเครื่องยั่วยวนแบบเดิมๆและยังอยากก่อกรรมแบบเดิมๆอีกไหม ถ้ายังติดใจไม่หายก็เวียนกลับไปผ่านกระบวนการล้างไพ่ด้วยไฟนรกอีกทีวนเวียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่อย่างนี้และที่ธรรมชาติเข้าใจร้ายก็คือเขาไม่ให้จำได้หรอกว่าตกนรกมาแล้วตรงข้ามจะปิดบังและบิดเบือนให้ใจไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ง่ายๆเสียด้วย อุปกรณ์สำคัญของธรรมชาติที่เรียกความลืมนี่น่ากลัวอย่าบอกใครจริงๆครับ